ลำดับที่สิบสองเมื่อวันที่สามมกราคมพุทธศักราชสอง3ันห้าร้อยห้าสิบสามโดยพระกันจิตคุณวโรขอเจริญพร ในช่วงที่สองนี้วันนี้ก็คงจะอขอกล่าวเนื่องจากว่านี่นจะเป็นโอกาสพิเศษในวันขึ้นปีใหม่นะฮะที่ขึ้นปีใหม่เรื่องของศีลที่เราได้เรียนมาเมื่อปีที่แล้วก็เดี๋ยวยกยอดในคราวหน้าก่อนอื่นประชาะัมพันท่านโยมทราบนิดหนึ่งก่อนว่าอาทิตย์หน้ากรรมาฐานจะหยุดหนึ่งอาทิตย์ด้วยกันหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันหยุดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยเนื่องจากว่ามีการจัดงานวันเด็กใน วันอาทิตย์นะวันเสาร์ที่นี่ก็ต้องเตรียมพื้นที่ข้างล่างิยมท่านใดถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างจะพาบุตรหลานม า, าร่วมตอบปัญหาแล้วก็เล่นเกมธรรมะจะมีจากโรงเรียนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาจัดเป็นกิจกรรมให้อยู่ที่วัดของอยู่ที่วัดาณเวสสกวันแห่งนี้ก็ขอเชิญได้นะแต่ในเรื่องของกรรมฐานคงของกหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เดียก อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้โยมทราบก่อนวันนี้เนะื่องจากว่าเป็นวันช่วงของการขึ้นปีใหม่นะก็เลยอยากจะคุยธรรมะให้กับญาติโยมฟังก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่โยมได้จะได้นําไปใช้ในตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ในจะเป็นะในตอนปีใหม่ 2,553 นีนะ้ก็ปกติแล้วเวลาที่สิ้นปี ถ้าเป็นห้างร้านถ้าเป็นบริษัทเราก็จะต้องมีการคิดงบกําไรขาดทุนกันใช่ไหมว่าเอาละแต่ละปีนั้นในการประกอบกิจการของเรานั้นได้กําไรเท่าไหร่แล้วก็ขาดทุนไปเท่าไหร่อันนี้เราเรียกว่างบกําไรขาดทุนจริงๆในเชิงของธรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องคิดกันทุกวันทุกปีเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากงบกําไรขาดทุนเป็นงบกุศลอกุศล <c oughs> อกุศลนี่คือขาดทุนใช่ไหม ถ้าติดลบนี่นคืออกุศลเยอะในปีที่ผ่านมาเนี่นก็นโนมปีถัดไปก็ต้องพยายามให้หนักแล้วนะเหมือนกับบริษัทที่ขาดทุนใช่ไหมแต่ถ้ามีกุศลมากกว่าอากุศลก็เรียกว่าได้กําไรนะได้กําไรชีวิตนะอันนี้วันนงบกุศลอกุศลก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ความเจริญก้าวหน้านั้น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางด้านของชื่อเสียงวัตถุเงินทองเท่านั้นนะความเจริญข้ามหน้าที่แท้จริงนั้นคือความเจริญข้าวหน้าในธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมในหมวดนี้เอาไว้เราเรียกว่าชื่ออริยวัตนะมาจากคําว่าอริยะแปลว่าประเสริฐกับวัดวัดตคือวัฒนานั่นเองอริยวัตก็คือความเจริญอย่างอริยะหรือความเจริญอย่างประเสริฐ ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ญาติโยมได้ลองมาพิจารณาดูว่าตลอดปี 2,552 ที่ผ่านมานั้นอริยวัตรหรือความเจริญก้าวหน้างอกงามอย่างประเสริฐนี้เราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไหมแล้วก็จะได้ตั้งเป้าต่อไปว่าปี 2,553 นี้เราจะต้องก้าวเจริญก้าวหน้าอย่างอริยให้มากขึ้นไปอีกอริยวัตนั้นมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราลองไล่เป็นเป็นข้อๆไปเลยนะความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงอย่างแรกคือความเจริญก้าวหน้าหรือความงอกงามในศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในการกระทาและผลของการกระทำเพราะศรัทธาในที่นี้นะถ้าจะสรุปอย่างสั้นๆท่านก็บอกว่าศรัทธาในสี่อย่าง อย่าหยุดลองดูนะศรัทธาสีอย่างนี้โยมเจริญงอกงามข้ามหน้าขึ้นมาหรือเปล่าประการที่หนึ่งมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ไปนั่งกราบไหว้และอ้อนวอนดลบนดานให้ท่านดลบันดานให้นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่ต้องการในที่นี้คือมีความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน มีความเชื่อมั่นในความที่พระพุทธเจ้านั้นมีพระมหาการุณามีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากเราอาศัยคำสอนของท่านปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราย่อมพ้นจากความทุกข์ได้ความเชื่อมั่นในลนักษณะอย่างนี้มันก็จะสะท้อนมาที่ตัวเราด้วยมันรวมถึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ พ ร, พระพสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มารไม่ใช่พรหมแต่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานะเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็เป็นมนุษย์เราเองก็มีศักยภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้กับพวกเราเห็นแล้วว่ามนุษย์นั้นถ้าได้รับการฝึกได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องนะแม้กระทั่งเทวดามารพรหมทั้งหลายยังต้องมากราบไหว้ เราเองก็มีศักยภาพที่จะทําอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะโยงมาถึงศรัทธาหรือเชื่อมั่นในศักยภาพในตัวของโยมด้วยมีความมั่นใจไหมนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างที่สองนะก็จะโยงมาสู่ตัวเราในแง่ที่ว่ามนุษย์นั้นจะประเสริฐได้ไม่ใช่เพราะเกิดเป็นมนุษย์แต่ประเสริฐขึ้นมาได้เพราะการฝึกหัดเพราะการพัฒนา โยมมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นตรงนี้ไหมว่าตัวเราเองถ้าฝึกถ้าพัฒนาก็สามารถประเสริฐขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ฝึกไม่พัฒนาเราไม่เป็นผู้ประเสริฐไม่ได้นะมองในลักษณะอย่างนี้เพราะมีศรัทธาในพระพุทธองค์ก็โยมเข้าเข้าสู่การฝึกการประพฤติการปฏิบัติและการพัฒนาตัวของเราเองอเชื่อมั่นก่อนในพระพุทธเจ้าหรือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ า, า, จาต้องให้ได้ศรัทธาอย่างนี้ได้ให้ได้กติอย่างนี้ประการที่สาม มีศรัทธานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความเชื่อมั่นในวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีกําลังใจในการฝึกในการพัฒนาขึ้นมาเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นที่มนุษย์จะประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกด้วยการพัฒนาประการที่สนี้มีกําลังใจและได้แบบอย่างคือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสําหรับเราในการฝึกในการพัฒนาชีวิต ถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะมีศรัทธามีความเรื่มสายอย่างแท้จริงก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองที่จะต้องเข้าไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการฝึกในการพัฒนาชีวิตของเราศรัทธาอย่างนี้แหละคือศรัทธาที่ต้องการในทางพระพุทธศาสนาถ้าเกิดศรัทธาอย่างถูกต้องแบบนี้ไม่ใช่มานั่งรอคอยผลโดยมันดาลหรืออ้อนวอนใช่ไหมแต่จะมุ่งเข้าไปศึกษามุ่งเข้าไปฝึกและมุ่งเข้าไปพัฒนา เพื่อให้ความดีงามความเจริญก้าวงามเกิดขึ้นกับตัวของโยมเองเอา้าวนี่ศรัทธาอย่างแรกนะศรัทธาอย่างแรกนะบางทีเราจะเรียกศรัทธาอย่างนี้ว่าตถาคะตโะพธิศรนะัทธาคือมีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านี่แหละก็จะโยงเราเข้ามาสู่พระธรรมเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบ เพราะฉะนั้นพุทธก็จะนําเราเข้ามาสู่พระธรรมก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นแล้ธรรมชาตินั้นมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมีกฎของธรรมชาติอยู่ถ้าสร้างเหตุปัจจัยได้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติความดีงามนี้จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้ามาศึกษากฎของธรรมชาตินั่นก็คือธรรมะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น คืออะไรบ้างและเราต้องทําเหตุทําปัจจัยอย่างไรชีวิตของเราจึงเจริญงอกงามด้วยคุณกุศลด้วยคุณงามความดีและก็มีความสุขนี่จากพระพุทธก็ยงเราโยงเราเข้าสู่พระธรรมพระธรรมก็นําเราเข้าสู่การศึกษาและการฝึกพัฒนาใช่ไหมเพราะผลจะเกิดขึ้นก็ตัวเราเองเนี่แหละจะต้องลงมือฝึกลงมือพัฒนาผลที่ดีงามจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราลงมือฝึก เราลงมือพัฒนาเขาต้องช่วยกันจัดสรรสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการฝึกในการพัฒนาเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการฝึกการพัฒนาตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนจากพระธรรมก็จะเป็นสิ่งที่นำเราหรือโยงเราเข้าสู่สังฆะสังฆะในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลผู้ได้ฝึกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วและบุคคลผู้ที่กำลังฝึกพัฒนาตนเองอยู่ เราเรียกว่าสังคมแห่งการฝึกสังคมแห่งการพัฒนานั่นเองเนี่แหละคือตัวสังขะสังข์ในที่นี้เวลาแปลเป็นภาษาไทยก็คือสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าสังข์ในที่นี้ท่านมักจะหมายถึงอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนี้ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังต้องฝึกต้องพัฒนาแต่เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องอยู่ในสังคมที่อยู่ในสังคมได้อย่างดีงามแล้วก็ได้อย่างถูกต้องแล้วนั่นเอง มีความศรัทธาในสังฆะมีความศรัทธาว่าถ้าเราจัดสังคมนี้ให้ดีนะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องความเกื้อกูลความดีงามนี้ก็จะช่วยให้พวกเราทุกคนนั้นเข้าไปสู่ความดีงามได้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็สังฆะนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งกาลยานามิตรที่จะคอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนแล้วก็คอยฝึกหัดซึ่งกันและกันนะเรียกว่าเป็นสังคมแห่งกาลยาณมิตรเลย นี่แหละคือความเชื่อมั่นที่ถูกต้องนะเชื่อมั่นในพระพุทธในคุณของพระพุทธเชื่อมั่นในพระธรรมอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎของธรรมชาติทําได้ถูกต้องตามเหตุตามปจาัจจัยเราเองก็สามารถพ้นจากทุกได้มีความเชื่อมั่นเริ่มใสศรัทธาในคุณของพระสงฆ์ว่าสังคมต่างหากจัดจตั้งขึ้นมาดีแล้วก็จะช่วยให้พวกเราทุกคนในสังคมเนี่แหละเจริญ ง, งอกงามในบุญกุศลคุณงามความดีมันเราต้องช่วยกันช่วยกันจัดตั้งสังคมที่ดีงามเหล่านี้ให้เกิดขึ้น มีสามอย่างประการที่สี่มีความเชื่อมั่นในการกระทำและผลของการกระทำหมายความว่าอย่างไรมีความเรื่มสายศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่าผลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือกระทำและต้องลงมือกระทำได้อย่างถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยด้วยการกระทำทุกอย่างมีผลเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการผลที่ดีด เราต้องเข้าไปศึกษาก่อนว่ามีเหตุปัจจัยในธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติอย่างไรแล้วทําเหตุปัจจัยนั้นให้ถูกต้องผลดีงามย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างที่เราเรียกว่ามีความเชื่อมั่นมีความเริ่มใส่ศรัทธาว่าเมื่อเรากระทํากรรมดีแล้วผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นตามการกระทําของเราผลของการกระทําที่สอดคล้องย่อมเกิดขึ้น อ, อันนี้เราเรียกว่าความเชื่อมัน่นสี่อย่าง เป็นศรัทธาที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเอ้ายมลองพิจารณาดูสิ 2,552 ที่ที่ผ่านมานั้นความเชื่อมั่นอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับเราเจริญงอกงามเพิ่มพูนมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเจริญงอกงามเพิ่มพูนมากขึ้นทุกครั้งที่มีเรื่องกระทบทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามากระทบสิ่งที่โยมจะทำคืออะไรเอ่ยเข้าไปศึกษาแก้ไขปัญหา ศึกษาจากคำสอนแล้วก็ลงมือทําตามเหตุตามปัจจัยโดยทั้ที่ไม่รอคอยผลดนบันดาลไม่ถือเรือยยามใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เราก็มีศรัทธาอย่างถูกต้องละแต่ถ้ายังรอคอยผลดนบันดาลปีใหม่ยังต้องไปหาหนังสือพวกพระเภททํานายทายทักเรื่องดวงเรื่องอะไรมาอ่านนี่ก็แสดงว่าศรัทธาของโยมนี่มันไม่ได้มันง่อนแง่นคอนแคลนละนะนั่นจําไว้นะโ ย, ยมเลือกเอาเอง โยมจะลิขิตชีวิตตัวเองหรือจะให้ดวงดาวลิขิตชีวิตของโยมถ้าโยมปล่อยไปตามใจเท่ากับโยมปล่อยให้ดวงดาวลิขิดชีวิตของโยมแต่ถ้าโยมจะลิขิตชีวิตของตัวเองโยมต้องเข้าไปศึกษาดูว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้วเราเลือกเลือกที่จะทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราจเจริญ ง, งอกงามไม่ใช่เลือกที่จะทาตามใจถ้าทาตามใจนี่คือปล่อยให้ธรรมชาติ ปล่อยให้ดวงดาวมันมาลิขิตปล่อยให้สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบมาลิขิตชีวิตเรานั้นถ้ามีความเชื่อมั่นที่ถูกต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วโยมจะเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตของโยมเอง <c oughs> วางแผนเลยปีนี้จะทําอะไรทําแค่ไหนอย่างไรแล้วทําให้เต็มที่ศึกษาเหตุปัจจัยแล้วลงมือทําเหตุปัจจัยให้เต็มที่ถ้าอย่างนั้นโยมต้องการผลที่ดีงามเช่นไรผลที่ดีงามเช่นนั้นถ้าโยมทําได้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัย ทำเห้ปัจจัยได้ถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นกับโยมเราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูหรอกดวงดีหรือดวงไม่ดีถ้าดวงดีเราทําเต็มที่ทําอย่างดีมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกใช่ไหมถ้าดวงไม่ดีเราทํ า, ทาอย่างเต็มที่แก้ไขแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ฝึกตนเองอย่างเต็มที่มันก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้แล้วจะไปหวังพึ่งดวงทำไมเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะไม่หวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ แต่จะหวังพึ่งการกระทำและการศึกษาการลงมือทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราต้องทาอย่างเต็มที่ด้วยความวิริยะด้วยความปัญญาอ้าวอันนี้อย่างแรกศรัทธาอย่างนี้เ ร, เรียกว่าศรัทธาอย่างอริยะ เ, เรียกว่าเป็นความเจริญอย่างอริยะประการที่สองน่าโยมลองพิจารณาดูสิที่ผ่านมานั้นพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของเราต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ถูกพัฒนาได้ถูกปรับปรุงให้ขึ้นมาได้อย่างดีงามถูกต้องหรือเปล่านะการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นไหมการกินอาหารการใช้สอยปัจจัยสี่ใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นไปตามความชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่าใช้ได้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นหรือเปล่า เหมนกันกับปฏิสัมพันธ์ของเรากับบุคคลอื่นๆในสังคมไม่ว่าจะกับคุณพ่อคุณแม่คนะรูบาอาจารย์สามีภรรยาหรือลูกเพื่อนๆนผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือหัวหน้าตลอดจนส ม, มณะทั้งหลายเราได้รู้ปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นอย่างถูกต้องไหมนะความสัมพันธ์ที่มีต่อกันดีมากขึ้นหรือเปล่านะในปีที่ผ่านมานะถ้าดีมากขึ้นก็แสดงว่าโยมก็กำลังเจริญใช่ไหม เจริญในอย่างน like ھی, ี้เราเรียกว่าเจริญในศีลนั่นเองนะเราเรียกว่าเจริญในศีลนะหรือแม้แต่กระทั่งสิกขาบทหรือศีลห้าที่เราต้องการจะรักษาเรารักษาได้สมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้เราเรียกว่าเจริญในศีลมันความเจริญในศีลนี่ยเป็นตัววัดอย่างหนึ่งนะวัดในแง่ของความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์นั้นต้องมีธรรมของความเป็นมนุษย์จึงจะเรียกว่ามนุษย์เซยชนมนุษย์นี่คือผู้ประเสริฐใช่ไหม ชนผู้ประเสริฐเป็นยังไงก็คือชนที่มีมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรเอ่ยขั้นต่ำคือศีลห้าหรือสิบขาบทห้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมนุษย์นั้นไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการประหารประหารผู้อื่นไม่ถือของเอาถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในกา ร, รมไม่พูดปด แล้วก็จะไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ขาดสตินี่คือขั้นต่ํานะใครทําได้ขั้นนี้ถือว่าเป็นเพียงแค่มนุษย์สยชนแต่ถ้าให้ดีขึ้นไปกว่านั้นนะในปีใหม่เราอย่าหยุดแค่มนุษย์สยชนต้องทําใหด้ดีมากขึ้นกว่านั้นทําใหด้ดีมากขึ้นกว่านั้นคือพัฒนาใ<ม> น, นแง่ของพฤติกรรมความสัมพันธ์ของเราให้เป็นกาลยานชนให้ได้นะกาลยานชนคืออะไร คือชนผู้เป็นมิตรที่ดีต่อทุกๆคนมนุษยชนนั้นขั้นต่ำคือไม่บิดเบียนแต่กัลยาณชนนั้นจะทําได้ดีมากกว่านั้นนอกจากไม่เบีดเบียนแล้วยังมีพฤติกรรมที่เกือกูลดีงามฝึกหัดพัฒนาตนเองอยู่เสมอนี่คือลักษณะของกัลยาณชนอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่ากัลยาณชนนั้นคือผู้ที่มีกัลยาณธรรมสิบประการเคยได้ยินไหมกัลยาณธรรม กริรยานธรรม10ประการนั้นมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่ากุศลกรรมบทตรสิบนั่นแหละกิริยนธรรมแหละเพราะฉะนั้นกริรยาณชนก็คือชนผู้มีกริรยานธรรมผู้ประกอบกุศลกรรมบท10สิบนั่นเองเอากุศลกรรมบทตสิบมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งในขั้นต่ำอย่างที่บอกว่ากรยาณชนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดร้ายทำลายชีวิตผู้อื่น แต่ในขั้นสูงขึ้นมาการันตชนทำได้ดีมากกว่านั้นก็คือมีจิตคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นดำเนินชีวิตด้วยการช่วยเหลือบุคคลอื่นนะไม่ค่าสัตว์และมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นนะอย่างที่สองกรารันตชนไม่รักทรัพย์ไม่ถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ให้นี่คือไม่เบียดเบียนขั้นดีคือประพฤติเกือกลดีงามนอกจากไม่รักทรัพย์แล้ว ยังประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่คือกัลยาณชนประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้มาซึ่งสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องได้มาอย่างที่ไม่บิดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคมอันี่คือคุณสมบัตินะพันโยมตั้งเอาไว้เลยนะในปี2553นี้เราจะพัฒนาจากมนุษยชนให้เป็นกัลยาณชนนะประการถัดมานะประการถัดมาข้อที่สาม กาญจนาชนนอกจากไม่ประพฤติผิดในกาไม่ไม่ไม่ไปละเมื่อลูกเมียของผู้อื่นแล้วกาญยาณชนยังมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองเราเรียกว่ามีศัตธารสันโดษมีความซื่อสัตย์ให้เกียรติคู่ครองของตนเองนะไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจนี่คือคุณสมบัติเลยกลยาญจนาชนประการถัดมาประการที่สี่ ประการที่สนี้จะเป็นเรื่องของทางวาจาลนะเมื่อกี้สามอย่างแรกนี่เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายประการที่สี่กลยาณชนไม่พูดปดไม่พูดโกหกไม่พูดทำให้เขาเสื่อมเสียด้วยเรื่องที่ไม่จริงหรือทำให้เขาเสียประโยชน์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงอันนี้คือไม่เบียดเบียนดีขึ้นไปกว่านั้นกาลยาณชนพูดแต่คำจริงคำที่เป็นประโยชน์นะพูดแต่คำจริง สามารถอ้างอองไดนะ้มีที่มาที่ไปสามารถอ้างอิงไดนะ้นี่คือลักษณะคุณสมบัตินะเงั้นก่อนพูดทุกครั้งคิดก่อนทุกครั้งเลยสำหรับการณายานะชนนะสิ่งนั้นจริงไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่านะประการถัดมาประการที่ห้าการยาณชนนั้นไม่พูดทำให้เขาเกิดความแตกแยกเราเรียกว่าพูดส่อเสียด สมัยปัจจุบันนี้สงสัยจะหาค่อนข้างยากนะขอนี้นะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเอาผลประโยชน์เข้าว่าแล้วก็ยุตยงให้แตกแยกเพื่อเข้าพักเข้าพวกใช่ไหมแต่กาลยานะชนนั้นไม่พูดจาส่อเสียดไม่ยุตยงทําให้แตกแยกแบ่งเป็นพักแบ่งเป็นพวกหรือแบ่งเป็นฝักเป็นฝา่นฝายในทางที่ดีก็คือกาลยานชนนั้นนอกจากไม่เบียดเบีย น, นแล้วจะพูด จ, จาอะไรมุ่งเน้นให้เกิดความสมัคิสมานสามัคคี ช่วยประสานคนที่แตกกันให้เข้ามาเกิดความสมัครสมานสามาคัคคีเหมือนการพูดของกาแลนา์ชนที่เป็นคุณสมบัติเลยนะใครทะเลาะ ก, กันไม่ถูกกันก็พยายามพูดปลอบโยนให้เห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขประการถัดมากาลยลนาชนนั้นไม่พูดเพอร์เชอร์นะเอาเพียงแค่ตลกปกหาไราสาระ แต่การัญญาณชนนั้นจะพูดจาแต่ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์เป็นแก่นสารเป็นสาระหั้นก่อนพูดทุกครั้งคิดพิจนารณาก่อนทุกครั้งนะสาหรับการันตชนทั้งหลายที่พูดออกไปนั้นทําจะทําให้จิตใจเขาเป็นยังไงทําให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลคุณงามความดีไหมเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงพูดนะ ถ้าไม่เป็นประโยชน์หยุดเงียบหรือนิ่งเงียบเสียดีกว่านะประการถัดมากาลยาณชนะประการที่เจแล้วน ะ, ะกาลยนะาณชนนั้นไม่พูดคำหยาบนะถ้อยคําที่ทําให้เขาเกิดความไม่สบายใจเกิดความขุนเคืองหรือเกิดความโกรธหรือเป็นถ้อยคําดูหมิ่นหรือกดผู้อื่นแต่กาลยาณช น, นนั้นจะพูดถ้อยคำอ่อนหวานนะไพเราะ ทำให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจนะเกิดความคิดเกิดความรู้สึกไปในทางที่ดีงามอันนี้คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งไม่พูดคำหยาบแต่พูดจากันด้วยถ้อยคาที่อ่อนหวานมีน้ำจิตมีน้ำใจมีไมตรีต่อทุกๆคนนี่เป็นเรื่องของการพูด4ประการของกาลยานชนอ้าวนะเมื่อกี้มีเรื่องของพฤติกรรมทางกายการพูดอีกสามอย่างหลังนั้นเป็นด้านจิตใจของกาลยานชน กัญญาณชนนะไม่โลภมากไม่คิดอยากได้ของของผู้อื่นนะแต่กัลยาณชนมีจิตใจที่เสียสละพร้อมเผื่อแผ่แบ่งปันนะพร้อมเผื่อแผ่แบ่งปันก็คือปาสะจากโลภะนั่นเองนะพูดอย่างง่ายๆนะมุ่งในแง่ของการช่วยเหลือสมเคราะห์นะปาสะจากโลภะ เพื่อแผ่แบ่งปันไม่ติดยึดในวัตถุสิ่งของแต่ใช้วัตถุสิ่งของเหล่านี้เพื่อพัฒนาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นต่อชีวิตต่อจิตใจประการที่เ<ไ>ก้กลยานาชนนั้นเป็นผู้ที่ไม่หงุดหงิดไม่ถือโกรธนะไม่หงุดหงิดไม่ถือโกรธไม่มีความอาฆาตเียแค้นไม่คิดไปในทางอาฆาตเียแค้นจิตใจปราศจากปฏิฆะความกระทบกระทั่งปราศจากโทสัต ปราศจากพยาบาทแต่กาลยาณชนนั้นมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ฝึกกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อย่างน้อยครึ่งชงั่วโมงเมื่อกี้ถ้าใครกำลังฝึกอยู่ก็เป็นกาลยานชนในข้อ น, นี้นะตั้งจิตเมตตาต่อสรรพสัตวนะ์แต่อย่าเป็นเพียงแค่ตอนที่มาวัดเพียงแค่ครึ่งชงั่วโมงนะเป็นให้ได้ตลอดเลยไปที่ไหนตั้งใจให้ดีกับทุกๆคนนะตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับทุกๆคน และประการสุดท้ายประการที่10กาลยานชนจะทําอะไรทําด้วยความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงเราเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องทําการด้วยปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะรู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจิตใจที่เข้าไปจับจุดสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจมันจริงไม่เกิดขึ้นกลับปล่อยจิตใจกลับปล่อยวางได้ใจเปิดติสระ แต่กลับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทนี่คุณสมบัติสิบประการตรงนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของพวกศีลเนี่ยแหละนะแล้วก็มีไปแตะในฝ่ายของจิตใจด้วยโยมจเจริน ง, งอ ง, งามขึ้นมาหรือเปล่าสิบประการนี้เอาอยัางแรกก่อนว่าเราได้รู้ไหมว่าคุณสมบัติสิบประการนี้คือคุณสมบัติที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมา ถ้า 2,552 ไม่ทราบ 2,553 ทราบแล้วก็แสดงว่าเริ่มเจริญแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ทํานี่ความเจริญยังไม่เกิดนเอาเพียงแค่รู้แล้วว่าเราจะเจริญจะจะเริญได้อย่างไรต่อไป 2,553 สิบประการนิยมทําให้มากเราจะได้เจริญงอกงามนะเจริญอย่างอริย ะ, ะแล้วก็ช่วยสร้างสารรค์ให้สังคมนั้นเกิดความเจริญงอกงามอย่างอริยะนี้ขึ้นมานอันนี้ประการที่สองคือเจริญด้วยศีล ประการที่สามประการที่สามคือเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยสุตตะคืออย่างไร 1. เป็นผู้ที่มีความรู้มีความรอบรู้นะรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ปัญหาที่ผ่านมาโยมมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นไหมรอบรู้อย่างแรกรอบรู้ในหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบ แอย่างใครกําลังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เป็นยังไงปีที่ผ่านมาในะวิชาความรู้ที่เราเรียนศึกษารู้เข้าใจมากขึ้นไหมโยมที่ทํางานก็คือวิชาการหรือการทํางานของเรารอบรู้ชํานาญมากขึ้นหรือเปล่ารอบรู้อย่างที่สองมีความรู้มีความรอบรู้ในเรื่องของธรรมในเรื่องของชีวิตว่าชีวิตเป็นแก่องค์ประกอบนะ เราควรสร้างเหตุปัจจัยอย่างไ ร, จ, รงจึงจะทําให้ชีวิตเจริญงอกงามชีวิตของเราจริงจะเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเรามีความรอบรู้มีความรู้อย่างนี้เพิ่มมากขึ้นไหมในปี2552ที่ผ่านมาความรอบรู้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการคนา้นคว้าใช่ไหมนะรอบรู้แล้วนะเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นไหมความรู้จะเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปศึกษาไปอ่านไปฟังไปสอบถามไปซักถาม เอาความรอบรู้กับความเพิ่มพูนการเพิ่มพูนของความรู้ในปี 2,552 ที่ผ่านมานี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2,551 ไหมอ้าวนี่โยมต้องไปศึกษาไปดูละถ้ารอบรู้เพิ่มพูนมากขึ้นทั้งในทางโลกและทางธรรมก็แสดงว่า 2,552 ของโยมนั้นเจริญนะแต่ถ้ารอบรู้ลดลงหรือไอ้สิ่งที่เคยรู้อยู่มันกลับลืมนะทําได้แย่ลงนี่แสดงว่าเจริญหรือเสื่อม อย่างนี้เสื่อมนะไม่ได้แล้วห้า้อยห้าสิบสามไม่ได้แล้วต้องแก้ไขถ้าห้า้ยห้าบสองสองันห้าห้าสสองเจริญขึ้นสอง3ห้าห้าสบสาความรอบรู้ความเจริญเหล่านี้จะต้องเจริญให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ด้วยการที่เราต้องลงมือศึกษาฝึกพัฒนาขนขวายสอบถามซักถามฟังแล้วก็ฝึกหัดให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากการมีแล้วยังรวมไปถึงการใฝ่รู้ของเราด้วย เราใยรู้ฝ่ายศึกษาเพิ่มมากขึ้นไหมใน2552ที่ผ่านมาถ้าไยรู้ใยศึกษาก็จะไปเล่นขนขวายใช่ไหมตรงไหนยังไม่รู้เล่นขนขวายไปศึกษาเอาให้รู้จริงรู้จักแสวงหาแหล่งข้อมูลรู้จักเข้าหากายาณมิตรที่จะให้ความรู้กับเราได้ที่จะช่วยฝึกหัดขัดเกลาเราได้อันนี้เราเรียกว่าความใยรู้เพิ่มมากขึ้นไหมนอกจากใยรู้เพิ่มมากขึ้นเราใช้ความรู้ได้ชํานาญมากขึ้นหรือเปล่า คิดเป็นใช้ความรู้นั้นเป็นและแก้ปัญหาเป็นหรือเปล่าถ้าความรู้ในทางธรรมเมื่อมีสิ่งไม่ดีเข้ามากระทบเรารู้เข้าใจและสามารถวางท่าทีปรับท่าทีได้ถูกต้องเลยไหมถ้ายังไม่ได้ทันทีเราใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนในการปรับท่าทีในการปรับจิตใจถ้าเจริญเราต้องปรับท่าทีได้เร็วเจริญมากกว่านั้นเข้ามากระทบจิตใจกลับไม่กระทบอ้าวถ้าอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญอย่างสุดแล้วนะยังถึงขีดสุดละ อะไรแปลเปลี่ยนอะไรเข้ามากระทบกลับไม่ถูกกระทบเลยอ้าวเราลองพิจารณาดูความรอบรู้ความใฝ่รู้และการใช้ความรู้ของเราทำได้ดีมากขึ้นไหมในปี 2,552 ที่ผ่านมา 2,553 ต้องทำให้ดีๆมากกว่านั้นอันนี้ข้อที่สามเราเรียกว่าเจริญอย่า ง, งระยะข้อที่สี่ความเจริญอย่างที่สี่คือความเจริญงอกงามในจาคะ จาค่าก็คือความเสียสละที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเรามีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มพูนมากขึ้นไหมการให้การช่วยเหลือผู้อื่นการให้การช่วยเหลือผู้อื่นในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุสิ่งของเท่านั้นแต่หมายถึงการให้ด้วยคําพูดก็คือการบอกการสอนการแนะนา การตักเตืองหรือแม้กระทั่งการปลอบโยนเขาให้เขาจะได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีแก้ไขปัญหาได้ช่วยด้วยแรงกายเราช่วยมากขึ้นหรือเปล่านะวางตนสมกับฐานะไหมในการช่วยเหลือกับผู้อื่นอันนี้เป็นจา่นะจาฆ่าจ่าค่าแบบแรกจ่าฆ่าแบบแรกนี่มองไปในแง่ของภายนอกนะมองในแง่ของภายนอกตัวกับที่ตัว พอกลับมาเข้ามาที่ตัวจะค่าอย่างที่สองที่ตัวของเราก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทําแก้ไขพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาหรื อ, อยังพฤติกรรมที่เคยไม่ทําไม่ดีติดมาเป็นนิสัยในอดีตเราแก้ไขพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาหรื อ, อยังจากสองพันห้าร้อยห้าสิบสองหรือว่ายังทําอยู่นะเลิกลดละเลิกได้หรือเลปล่าในพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้นี่ก็คือการละเหมือนกันใช่ไหมละพฤติกรรมที่ไม่ดีงาม สูงขึ้นไปกว่านั้นมาที่ในตัวคือสละกิเลสในใจได้มากน้อยแค่ไหนนะความขุ่นข้องมองใจความโลภความคิดอยากจะเอาของเขาหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงสละได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือจาคะฆเช่นเดียวกันนะจาคะอย่างนี้ก็คือการสละใช่ไหมสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจจิตใจก็จะเกิดความดีงามเกิดความพอบพูนด้วยความสุขความดีงามเกิดขึ้น เรามีมากน้อยแค่ไหนในปี2552ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี2553นี้ความศรีสระมีมากแค่ไหนประการสุดท้ายประการที่ห้าความเจริญคือจะเจริญด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้จะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในภาวะของชีวิตและความเป็นไปของชีวิต เราสังเกตเห็นไหมว่าภาวะที่สิ่งต่างๆเข้ามากระทบเป็นเพียงแค่องค์ประกอบของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เข้ามากระทบแล้วก็จากไปเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปเท่านั้นเองความรู้สึกความคิดภาวะรับรู้หรือการหมายรู้ก็เช่นเดียวกันอนัญญารู้ตรงนี้มากขึ้นไหมรู้สึกอย่างนี้ได้ตลอดไหมนะได้มากแค่ไหนในแต่ละวันรู้สูงขึ้นไปกว่านั้นเราเรียกว่ารู้อย่างถึง รู้อย่างถึงคืออย่างไรเห็นความที่มันส่งผนกระทบและเปลี่ยนแปลงไปรู้มากขึ้นไปกว่านั้นรู้ในขั้นละได้ละจากการยึดติดนะสามารถปล่อยวางมันได้โดยที่ใจเราไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งที่ใจในึกคิดปุงแต่นี่คือปัญญาในขั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาปัญญาอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพิ่มพูนมากขึ้นไหมใน 2,552 ที่ผ่านมาเรากำลังฝึกเรากำลังพัฒนามันให้เพิ่มพูนมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือความเจริญทั้งหมด5อย่างเราเรียกว่าความเจริญอย่างอริยะหรืออริยวัฏเพราะฉะนั้น 2,552 ที่ผ่านมาโยมลองทาบัญชีซิเจริญมากขึ้นไหมอริยวัฏนี้ 2,553 โยมต้องตั้งเป้าแล้ว ห้าประการนี้ต้องให้ได้เจริญมากขึ้นแต่เมื่อบอกอย่างนีนะ้การที่เราจะเจริญงอกงามในอริยวัตทั้งห้าประการนี้ได้มากขึ้นมันก็ต้องอาศัยเครื่องมือในไหนโยมมาวันนี้แล้วก็จะให้เครื่องมือกับโยมนะให้รถสักคันหนึ่งภนะาษาสมัยก่อนนีนเวลาเราเดินทางเราจะใช้เกวียนใช่ไหมเกวียนนั้นก็ต้องอาศัยล้อรถนะก็ต้องอาศัยลูกล้อสมัยก่อนล้อเนี่ยก็เราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งมีคําได้อีกอย่างหนึ่งว่าจัต เคยได้ยินใช่มวัจกหรือล้อที่จะหมุนเราไปสู่ความเจริญนั้นมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้มีอยู่สี่ประการด้วยกันถ้าโยมทำได้ครบนะล้อหรือจากนี้ก็จะช่วยนำพาโยมไปสู่ความเจริญอย่างอริยะได้เอามีอะไรบ้างนะบอกว่าความเจริญมีอะไรต่อไปวิธีการจะทำให้ความเจริญเกิดขึ้นนั้นจะต้องทาอะไรบ้างามีสี่ประการด้วยกัน นะเอาอย่างสั้นๆประการที่หนึ่งท่านเรียกว่าปัติรูเทสวาสะนะคือการเลือกอยู่ในถิ่นประเทศหรือสิ่งแวดล้อมหรือเลือกอยู่ในสังคมที่เกื้อกูลน่าดีงามนะถิ่นสังคมที่เกื้อกูลและดีงามในที่นี้รวมไปถึงรูปแบบการปกครองซึ่งโยมต้องมีส่วนร่วมละใช่ไหม แต่มีส่วนร่วมในการจัดสรรสิ่งเหล่านี้แหละรูปแบบการปกครองสิ่งแวดน้อมที่อยู่แม้กระทั่งบ้านเรือนที่พักหรือที่อาศัยหรือ ก, กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันยมได้จัดปรับเลือกอยู่ในถิ่นประเทศที่สมควรหรือไม่ที่เกื่อกูลเช่นนี้หรือไม่นะอันนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าปัติรูปเทศวาสะ อย่างที่สองได้เลือกในการครบคนหรือเปล่าเราเรียกว่าสัตบุริษัยะเลือกคบสัตบุรุษไหมพยายามเข้าหาสัตบุรุษไปคอยสอบถามไปซักถามไปฝึกหัดขัดเกลากับท่านหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะ คนเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมกับขึ้นอยู่กับคนที่เราครบสองประการที่สาคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบกับคนที่ดีได้แบบอย่างที่ดียมก็จะรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเป็นรูปแบบการปรงแต่งจิตของโยมชีวิตของโยมย่อมเจริญงอกงามแล้วก้าวหน้าไปในบุญคุศลแล้วก็ความดีงาม ความเจริญอย่างริยะก็จะเกิดขึ้นกับโยนะอันนี้ประการที่สองนะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูสิคนที่เราครบปัจจุบันนี้ถ้าคบแล้วทาให้เราขี้เกียจมากขึ้นเอาแต่เล่นเอาแต่เสพสุขหน้าที่การงานชักไม่อยากทำอย่างนี้กัลยาณมิตรไหมไม่ใช่ต้องพิจารณาแล้วนะการที่จะไปคบสนิทชิดเชื้อด้วยอันนี้สงสยัยข้อสองพันห้ารห้าสบสาต้องออกห่างสักหน่อยละ ส่วนคนที่คอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนนะคอยกระนาบให้เราศึกษาให้เราประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีนะเมื่อประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดีเขาก็คอยตักเตือนคอยว่ากล่าวด้วยความหวังดีต่อเราเอาถ้าอย่างนี้เป็นการยาณมิตรย่มพึงคบเขาให้มากๆเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะประการถัดมาประการที่สามนะท่านเรียกว่า การมีคุณความดีที่เคยทําไว้ในการก่อนปุเพกะตะปุญญาตาปุเพกะตะปุญญาตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชาติหน้า 2,552 ที่ผ่านมานั้นนั่นแหละเป็นปุเพกะตะปุญญาตาสําหรับโยมไม่ได้หมายความเพียงแค่ชาติหน้าหรือเป็นชาติที่แล้วเท่านั้นแต่รวมมาถึงชาตินี้ด้วยสิ่งที่เราทําในวันนี้ จะเป็นคุณงามความดีที่เราสะสมไว้สําหรับเราจะได้ใช้ต่อไปในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันทุกๆวันที่ผ่านมาตั้งใจทําคุณงามความดีตั้งใจฝึกพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่หรือเปลา่าเอาไว้เป็นทุนสําหรับเราถ้า 2,552 ที่ผ่านมาตั้งใจประพฤติดีงามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตั้งใจทําหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ 2,553 นี้สบายเลยใช่ไหมมีทุนมาดีแล้ว แต่ถ้าทุนใครมาไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ตอนนี้ต้องรีบสร้างทุนนะไม่งั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะแย่นะไม่ใช่บอกว่าทุนมาไม่ดีแล้วเอาแค่นี้แหละไม่เอานะในทางพุทธศาสนาไม่ได้ทุนมาไม่เท่ากันมันยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทาอะไรกับทุนที่เรามีอยู่ตรงนี้สำคัญมากกว่าเอาทุนที่มีอยู่นี้มาสร้างสารรค์มาพัฒนาให้เป็นทุนที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต เราเรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตานะการที่เราได้เคยทําคุณงามความดีหรือมีคุณงามความดีที่เคยทําไว้ในการก่อนแล้วก็ประการสุดท้ายอัตตะสัมมาปณิทิอัตตะแปลว่าตนสัมมาก็คือถูกต้องปณิทิก็คือการตั้งตนหรือการวางท่าทีหรือวางตัวอย่างถูกต้องเป็นยังไงวางตนวางท่าทีอย่างถูกต้องถ้าอย่างเป็นเด็กๆ นะวาง ท, ท่าทีอย่างถูกต้องคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันเรียนหนังสือถ้าเป็นผู้ใหญ่ตั้งใจทําหน้าที่การงานสิ่งที่เป็นอใบายามุขไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่คือการตั้ง ต, งอง ต, อง ต, งตนอย่างถูกต้อ ง, งททใอช่ไห ม, มตั้ง ต, น อ, งตอนอย่างถูกต้องวางท่าทีในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลคุณงามความดีตั้งใจทําให้เต็มที่นี่แหละคือวางตนอย่างถูกต้องตั้งตนอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ภาษาธรรมะเรียกว่าอัตสัมมาปนิธินะการตั้งตนอย่างถูกต้องสีประการนี้นะถ้าทำได้จะเป็นเหมือนล้อที่จะนำโยมไปสู่ความเจริญอย่างอริยะหรืออริยวัตนนั่นเองเพราะฉะนั้น2553ห้าอยสบสาี่อย่างนี้ทำให้มากนะและก็คอยนะทำสมุดเช็คไปเลยในทุกอาทิตย์ก็ได้หรือทำทุกวันก็ได้อริยวัต ห้าประการนั้นเราจะเลย ง, งอกงามเพิ่มขึ้นหรือไม่นะในอริยวัตรทั้งห้าประการนี้นะอ้าวมีคําถามอะไรไหมเอ่ยยากหรือเปล่าอริยวัตรยากไหมยอยู่ในชีวิตของโยมใช่ไหมไม่ใช่มาทําที่วัดแหละนะแต่โยมต้องทําอยู่ในชีวิตตลอดเวลาเลย นะอย่างน้อยเรานั่งอยู่เฉยๆตั้งใจแล้วนึก ถ, ถ, ถึงคุณงามความดีมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีนั่นแหละศรัทธาเจริญงอกงามขึ้นนะรักษาพฤติกรรมให้ดีงามศีลก็เจริญงอกงามนะทําอะไรพยายามสแสวงหาความรู้ทําด้วยความรู้ความเข้าใจสุตตะเจริญงอกงามนะไม่คิดถึงตัวไม่เห็นแก่ตัวนี่จา่าฆาเจริญงอกงามสิ่งที่ไม่ดีละออกไปฝึกหัดขัดเกล้าเสียใหม่นี่จา่าฆาเจริญงอกงาม สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบมองไว้ของช่วงคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจของเราอย่าไปวิ่งจับจะต้องให้ได้อย่างนั้นจะต้องให้เป็นอย่างนี้ให้ใจเป็นอิสระพร้อมกันนั้นทําการต่างๆด้วยความไม่ประมาทเรามีโอกาสเกี่ยวข้องเฉพาะตอนนี้เท่า น, นั้นเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่โดยที่ไม่ติดในผลนะไม่ติดในผลว่าจะเป็นอย่างไรขอให้ทําให้เต็มที่ถ้าที่เรามีความรู้ความสามารถ โดยที่ใจไม่ติดในผลปล่อยวางได้ถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาเจริญงอกงามนะทำให้ได้ตลอดเวลาโยมก็จะเป็นผู้ที่เจริญงอกงามในอริยวัตรก็คือความเจริญงอกงามอย่างประเสริฐนั่นเองก็หวังว่าโยมคงจะตั้งเป็นหลักนะ2 5 5พ้าาก็มาทบทวนแล้วก็ให้หลักกันสักทีหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าจะให้มาทบทวนไหมสน้ารนะใครจะทาลิส เอาไว้เลยก็ได้อริยวัตในแต่ละข้อแต่ละข้อเจริญงอ ง, งามเพิ่มพูนมากขึ้นหรือไม่ในแต่ละปีแต่ละปีของเราเอานะถ้าไม่มีคำถามอะไรนะอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าก็คงจะจบธรรมบรรยายสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้ให้หลักสำหรับญาติโยมดังเพื่อนั้นเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบสาม อตาตมาเองก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจแล้วก็จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติเข้ามาฟังธรรมตลอดจนประกอบคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมอตาตมาในนามของพระสงฆ์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยรันาตนตรยานุภาเวนะรันาตนตยเตชะสาด้วยอานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยนะ จงอวยชัยให้พรให้กับญาติโยมทุกๆ ท, ท่านเจริญ ง, งอกงามด้วยอริยวัตรประสบด้วยจตุรพิทพพรชยัยมีอายุวันณนะสุขะภละปฏิพานทนะสารสมบัติสามารถฝึกพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาให้เจริญ ง, งอกงามจนกระทั่งถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานมีความเจริญ ง, งอกงามประสบความสาเร็จ ในการศึกษาเล่าเรียนในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามปราศจากโรคภัยและพยันตรายใดๆทั้งปวงมาบิดเบียนมีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทั่วทุกคนตลอดกาลละนานถือ อ้าวจเจริญพร อ, อ้าวลำดับต่อไปเราได้หลักในการที่จะเอาไปใช้ต่อได้ประกอบคุณงามความดีแล้วนะก็จะเชิญชวนโยมให้ทําบุญให้มากขึ้นขึ้นไปด้วยการด้วยการที่เราจะตั้งจิตแผ่เมตตานะวันนี้ทําบุญทํากุศลจิตใจดีงามมีความสุขแผ่ความดีงามแผ่บุญกุศล น, นี้ออกไปให้กับสรรพสัตว์ด้วยการแผ่เมตตาร่วมกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้อ่อยพระบสดเหมือนพร้อมกันอีกทีหนึ่ง